ประเพณีของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านพาดำเนินท่านนนดเิมาเป็นความละเอียดสุ ข, ขุมกวามพีลภาพมากในทุกแง่ทุกมุมของการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าภูมิใจตามประวัติซึ่งมีในตำรา ที่เราทั้งหลายได้อ่านได้เห็นยึ่งควรจะยึดเป็นแนวทางอย่างถึงใจการปฏิบัติก็เริ่มแรกแต่พระพุทธเจ้าสเสด็จออกทรงพระหนวดและบำเพ็ญพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีเรียบเรียก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 สิ่งที่น่าเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งก็คือพระอุสาหพยายามของพระองค์ถึงขนาดสลบสไลด้วยความทุกข์ความลำบากในการบมเพ็ญเมื่อได้งดจากการชงอดพระกาหารนั่นมาบำเพ็ญ ทางอนาปานนตติซึ่งเป็นถูกต้องกำลักสัจธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติอดทรงได้ต ร, รัสรุธรรมในคืนวันนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติหรือ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 ทำออกสั่งสอนหรือโปรดสัตว์โลกก็ไม่มีใครที่จะละเอียดสุ ข, ขุมกัมพิลาภาพในแง่แห่งอัด ร, รมและอุบายวิธีการอย่างการสั่งสอนเหมือนพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายที่เริ่มแรกที่จะได้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามีภาพเป็นจักรวิถีทั้งห้าเป็นต้นซึ่งพร้อมแล้ว ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อได้สำนับธรรมซึ่งเป็นของจริงล้วนๆออกมาจากพระไทยของพระองค์เองซึ่งทรงดำเนินมาโดยถูกต้องและตรัสรู้โดยชอบธรรมอย่างยิง่งบรรดาสาวกเหล่านั้นก็ยังทราบถึงความจริงแห่งธรรมเป็นขั้นๆไปโดยลำดับ ได้บรรลุธรรมถึงอรหัตตภูมิด้วยกันดังนั้นศาสนาก็กระจายออกไปด้วยความสง่างามด้วยความอัจฉริยะบรรดาสาวกแต่ละองค์ละองค์ที่ได้บรรลุธรรมจากรพระพุทธเธจา้าก็เพราะการประพฤติธปฏิบัติตนให้ถึงความจริงด้วยการสละเลือดเนื้อทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ชีวิตจิตใจก็ไม่อะไรเสียดายภาษาวกคงใดประประกาศภาษาศาสนาในสถานที่ใดจึงปรากฏว่าโลกทั้งหลายมีความเชื่อความเคารพเรื่อมใสททำให้เกิดความร่มเย็นภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงาน และเกี่ยวข้องกับสังคมใดๆก็เป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดเพื่อความนสนิทสนมต่อกันเป็นลําดับเพราะอํานาจแห่งธรรมซึ่งเป็นของเงย็นอยู่แล้วทําให้โลกทั้งหลายได้รับความร่วมเยน็นเพราะอัดทำดังนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านดําเนินมาไม่ว่าองค์ใดเป็นไปเพราอ ทำน่านับถือหน้าเคารพเรื่องใสทั้งนั้นไม่ก้าวกายกับหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์แทนาศาสดาเรื่อยมาโดยลำดับทั้งนี้เพราะท่านเหล่านั้นมีทมเต็มดวงใจแล้วแต่ก่อนมีแต่กิเลสโสมมเช่นเดียวกับเราเราท่านท่าน แต่เพราะการชำระสาสางทายเทสิ่งเพื่อทายเทสิ่งไม่ดีสิ่งชกกระโปรงโสมมทั้งหลายออกจากใจนั้นและแต่พฤชิปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยจึง เป็นผลให้จิตใจได้รับความดูดดื่มในอัตธรรมธรรมจึงไหลเข้าสู่ใจเป็นลำดับลาดับแทนสิ่งสกปลกซึ่งมีอยู่ภายในใจนั้นจนถึงกับใ่ทั้งดวงบรรจุธรรมไว้ทั้งหมดใจเต็มไปด้วยอัตด้วยธรรมเต็มเพระด้วยความบริสุทธิ์พุดทองการแนะนำสั่งสอนโลก สั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะการปฏิบัติมาแล้วทั้งทางเหตุและผลไม่มีข้อข้องใจสงสัยสั่งสอนด้วยความอุปอาจกระหารและตรงต่อความจริงทุกแง่ทุกมุมผู้รับการอบรมจรึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลําบากลาดับเพราะผู้สอนสอนโดยถูกต้องทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพราะความรู้มาแล้วทุกอย่างจึงนํามาสอนโลกนับแต่เพราะ นับแต่องค์ศาสดาลงมาถึงพระสาวกการสั่งสอนอธรรมแก่พุทธบริษัทจึงไม่มีข้าลื่นจากหลักความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดเป็นไปด้วยเหตุต้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามที่จะยังผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟังโดยลำดับไม่ผิดพลาดค่าดเื้อนเหมือนผู้ไม่รู้ไม่เห็น นำท ร, ร ม, มาแสดงซึ่งผิดกันอยู่มากโดยเหตุนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติพึงคำหนึง่งถึงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาอย่างถึงใจอย่าได้เห็นสิ่งใดมีความสำคัญยิ่งกว่าอริยประเพณี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 ยิ่งกว่านั้นก็จะทําให้เป็นความสง่างามในวงคณะผู้ปฏิบัติด้วยกันและเป็นความสง่างามราศีเกศวงพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนากว้างขวางไปไม่มีประมาณการทําสิ่งใดพึงระลึกถึงเหตุถึงผลอยู่เสมออย่าทําด้วยความสุ่มเดาอย่าทำด้วยความสะเท่ามักง่ายเพราะหลักธรรมทั้งหมด ไม่มีทำข้อใดเมียใดที่ออกมาจากความสับเป่ามากง่ายของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยแต่ออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงและออกมาด้วยเหตุผลและกลมกลืนไปกันไปโดยลำดับในทางถูกต้องดีงามไม่มีผิดพลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญ ชานาธรรมของพระโพธเจารเราจะเรียกว่าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็ไม่ผิดจะผิดที่ตรงไหนเพราะธรรมนี้พร้อมแล้วที่จะยัางผู้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งมรรคผลเช่นเดียวกับครั้งพุท ธ, ธาการไม่มีธรรมข้อใด ย, ยิ่งหยอดกว่ากัน พอที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นโมฆะหาผลตอบแทนไม่ได้ทั้งๆงที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักทำหลักที่ไหนแต่เป็นธรรมที่เส ม, สมอต้นเสมอปลายจึงเรียกว่ามัชิมาปฏิปทามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายละและฝ่ายบำเพ็ญฝ่ายละคือวิธีการแห่งการละกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจ และการบําเพ็ญสติปัญญาจัตทาความเปลี่ยนของตนให้มีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับ ม, มีสมบูรณ์อยู่ในาศาสนาธรรมนี้ทั้งสิ้นเรียกว่ามัชชิ ม, มาเสมอต้นเสมอปลายยาคิดคำหนึงถึงอดีตอ น, นาคตในการแก้ทิเล กิเลสนั้นไม่มีอดีตอนาคตเป็นกิเลสอยู่วันยั่งคําที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้สนิท ต, ติดจมอยู่กับกิเลสตลอดไปไม่มีคําว่าผ่อนผันสั้นยาวเหมือนสิ่งอื่นใดเลยการปฏิบัติขัดเกลารหรือต่อสู้ปราบปรามกิเลสเราจริงไม่ควรทําความผ่อนผันสั้นยาวจะไม่ทันกับกิเลส เพราะคำที่ว่าผ่อนปันสั้นยาวนั้นโดยมากมักจะเป็นอุบายของกิเลสเชื่อสมสอนเราโดยไม่รู้สึกตัวจะทำอะไรก็ตามขอให้รึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นิริยะประเคมีเสมออย่าทำด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้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 ไม่มีผู้ใดที่จะมีโอกาสวาสนาอำนวยตลอดจตุปัจจัยทายทานทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องสั่สนับสนุส น, น, น, น, นยิ่งกว่าพระเมื่อเราทราบแล้วว่าพร้อมทุกอย่างแล้วความเพียรของเราที่จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อติดการงานของตนจึงควรขมักขม่นเข้มแข็งทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ในเบื้องต้นท่านได้มอบงานให้แล้วทุกทุกท่านไม่ว่าเนนว่าพระที่ได้บวชปรากฏตัวเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะต้องได้รับมอบงานประจำเพศของตนเหมือนกันงานนั้นได้แก่กรรมฐานก ร, กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วในการที่จะถอดถอน สิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อจิตใจของตนเพราะความลุ่มหลงในงานที่ตนกำลังเริ่มทำอยู่นี้ได้จะอะไรท่านพูดเพียงย่อๆแต่เป็นการกระเทือนไปหมดทั่วอวัยวะของเราทุกส่วนทุกอาการว่าเปสาหมายถึงผมบนศีรษะซึ่งมีอยู่ด้กันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักปวดและคารวาน ไม่สงสัยโลมาที่ก็คือขนเกิดตุดทั่วสันพางร่างกายหน้าขาเล็บมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งหญิงทั้งชายันตาฝันก็คือกระดูกเราดีๆนี่แต่เรียกว่าฝันมีอยู่ด้วยกันตะโตมีเป็นประโยคสำคัญมากแปลว่าหนัง พระจะปฏิยันโตหนังหุ้มอยู่โดยรอบภายในร่างกายนี้เพื่อปกปิดความสกรปรกโสโครกเต็มตัวภายในร่างกายนี้ไว้พอให้มองดูกันไดน้ไม่ถึงกับแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางเพราะความเบื่อนหน่ายความน่าเกลียดน่ากลัว ของคนแต่และคนที่ไม่มีหนังหุ้มตัวแต่เรากราบเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยงามไปเสียถึงกลายเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลย่ายีตีแหลกแย่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่มอบให้พิจารณาเป็นของไม่สวยไม่งามไปเสีย น, นี่แหละข้าสึกอยู่ที่ตรงนี้พอถึงตะโจเท่านั้นท่านก็อยู่ถ้รรารอบหมดแล้วใน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 หน้ากำหนัดยินดีได้อย่างไรเมื่อเอาหนังบางๆนี่เท่านั้นน่ะเขาออกเสียแล้วดูกันได้ที่ไหนนี่พิจารณาเข้าไปยิ่งกว่านี้ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความขายะแขยงซึ่งเป็นสิ่งหน้าเกลียดหน้าตัวเต็มไปหมดภายในร่างกายของเราแท้ๆซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนโดยสัญชาตญาณของจิต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 มาเป็นหลังไปก็ได้เพราะความเกลียดความกลัวตัวเองถึงกับไม่มีสติยับยั้งตัวก็เป็นได้นี่กับพาะหนังเพราะฉะนั้นหนังจึงเป็นประโยคอันใด่โตในบรรณากรรมฐานทั้งหลายนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าสมมติให้ให้พิจารณาตามหลักความจริงของมันผมเกิดขึ้นจากสถานที่เช่นไรก็เกิดขึ้นจากสถานที่สกปกโสมลเกิดขึ้นจาก หนังจากเนื้อล้วก็ว่าขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้ฝันขี้เหล่านี้ออกมาจากความสกปรกภายในเป็นของเศษของเดนของท่งแล้วจึงเรียกว่าขี้น่าดูที่ไหนนี่การปฏิบัติหน้าที่คืองานเหล่านี้จะเป็นชิ้นใดก็ต า, ามขอให้พิจารณาให้ถึงความจริงของสิ่งนี้ส่วนมาก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 ซึ้งเข้าไปตามหนัง <c oughs> รอบตัวแล้วซึ้งเข้าไปภายในร่างกายนอกจากหนังหุ่มอุ้มอยู่ภายนอกแล้วดูเข้าไปภายในจ <c oughs> ิตย่อมจะเพลิดเพลินย่อมจะซาบซึ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วจะเบาไปหมดภายในจิตใจ เกิดความสรลดสังเวชขึ้นภายในตัวทางนี้ได้เราได้เคยปฏิบัติได้เคยพิจารณาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเบื้องต้นก็อาศัยการคาดคะเนใช้สัญญาเป็นเช่นบรรทัดเดินตามสัญญ า, าร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามพิการว่ามันสกรปรกโสมมเป็นของปฤกุลน่าเกลียด นี่เป็นความจริงที่ท่านแสดงไว้เป็นสัวขาตธรรมแต่จิตใจเรามันเสกสรรปั้นย่อให้ขัดต่อความจริงนั้นไปเสียมากาเป็นของสวยของงามเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำจิตใจของเราให้คล้อยตามความจริงที่ท่านตรัสไว่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามฝืนพิจารณาคือฝืนกิเลสนั้นนะไม่ใช่ฝืนความจริงฝืนกิเลสพิจารณาเข้าสู่ความจริงอันไม่ใช่เป็นเรื่องฝืน เพราะเป็นความจริงจนมีความทราบซึ้งเห็นได้ชัดนี่เคยเห็นแล้วเห็นระจากจากการพิจารณาจริงๆไม่ใช่เห็นด้วยความดุ้นเดาไม่ใช่เห็นด้วยความคาดคะเนไม่ใช่เห็นด้วยความชั้นยาคือความจักแต่เห็นด้วยความจริงเพราะจิตได้รู้เห็น อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนื้อเป็นต้นจิตทราบซึ้งในเนื้อแหนร่างกายของตนแล้วก็ทําให้ทราบซ่านไปหมดทั่วสารพางร่างกายเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟลุกลามไปเรื่อยๆไหม้ไปเลยนี่ความจริงอยู่ที่ไหนรอบร่างกายของเรานี้ความรู้ก็ซึ้งไปเรื่อยๆปัญญาตรองไปตาม ทราบความจริงนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วจิตใจถอนตัวออกมาเกิดเป็นความเบาใจสรางอาภาเผยเกิดความปรจับใในความรู้ความเห็นกายของตอนนั้นทั้งๆ ท, ที่เราพิจารณากายของเรานั่นแหละแต่ขณะที่กำลังพิจารณาเพลินเพลินเรียบความรู้ซึ้งๆอยู่นั้นกายไม่มีความรู้สึกในตัวเลย ในขณะนั้นเหมือนกายไม่มีทั้งๆที่พิจารณากายของตัวอยู่นั่นแหละเบาไปหมดผลสุดท้ายร่างกายทุกส่วนที่ไดรู้ได้เห็นด้วยความซึ้งนั้นก็แปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจนกระจัดในขณะนั้นโดยลําดับลําดับหนังก็พังลงไปเปือยเน่าลงไปให้เห็นชัดเจน เนื้อก็เปื่อยเน่าพังทลายลงไปโดยลำดับลำดาภายในตับไตใส้ภุมอะไรก็กระจายตัวลงไปเอ็มไปหมดเกลือนอยู่ด้วยความสกรปรกโสโครกของร่างกายตนที่แตกกระจายออกจากกันเพราะการพิจารณาทราบซึ้งด้วยปัญญาจิตใจเกิดความสลดสังเวชจนน้ำตาล่วงทั้งทั้งที่เวลานั้นไม่ทราบ ว่ากายมันอยู่ที่ไหนและทั้งๆ ท, ที่เราพิจรารณาร่างกายอยู่นั่นเลยร่างกายของเราเองแต่กายปรากฏมไม่รู้สึกตัวขนานั้นแล้วน้ำตามันร่วงได้อย่างไรนี่จากนั้นไปน้ำตาก็หายละทีนี้พอพังทลายลงไปคือคาที่ว่าน้ำตานี่เป็นในขณะที่กําลังทราบซึ้งในความเห็นในความรู้ พวกเนื้อพวกหนังพอพังลงไปตรงนี้อะไรก็ค่อยหมดไปหมดไปเนื้อหนังทุกชิ้นทุกส่วนก็พังลงไปให้เห็นอย่างชัดเจนเหรือตอรางกระดูกตั้งอยู่บนกองหนังกองเนื้อกองอวัยวะส่วนต่างๆที่เน่าเฟะอยู่ภา ย, ยในท้ำกลางนั้นตรนี้กระดูกเมื่อไม่มีเส้นเอ็นติด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 ในขณะที่เห็นอรูปภาพอรุพภัง์อย่างประจักดใจนั้นจนถึงกับออกอุทานว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งเพิ่งมามีในวันนี้เท่าไรมีเต็มร่างกายของเราอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาทำไมเราจรึงไม่รู้จึงไม่เห็นและทำไมจึงเพิ่งมารู้มาเห็นกันวันนี้นั่นเกิดอุทานขึ้นมาแล้วความเบาของจิตก็พูดไม่ถูกความอัศจรรย์ของจิตที่ปล่อยจาก สภาพเน่าเฟะทั้งหลายกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี้ก็พูดไม่ถูกจากนั้นปิตก็รวมตัวเข้าเหมือนไฟไหม้ดินระเบิดเพิบเดียวเลยหมดดินทั้งแผน่นหายไปหมดต้นไม้ถูเขาไม่ต้องพูดเมื่อแผ่นดินทั้งแผนได้ กลายเป็นอากาศาธาตุไปหมดหร่างกายกลายเป็นดินเป็นน้ำแล้วดินน้ำลงไปกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเหลือจากความรู้ล้วนๆซึ่งเป็นความรู้อัศจรรย์เด่นอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นนั่นคือผลอย่างการพิจารณาอธุภะอสุภังเป็นต้นให้เห็นประจักษ์ภายใน จ, จิตใจด้วยความริงจริงๆไม่ใช่ด้วยความจักินเป็นแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นอย่างเต็มที่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 หรือว่าแสดงกิริยาออกมาแม้จิตถึงเวลาที่จิตได้ถอยออกมาจากความสงบตัวอย่างเต็มที่แล้วเรากำหน ด, ดดูต้นไม้ภูเขาดินทั้งแผ่นก็ไม่เห็นมันยังว่างอยู่หมดภายในจิตใจของเราใจยังว่างไปหมดนี่คือการพยายาิจารณาอชุพะอสุพังร่างกายเป็น ทีรกว่ากรรมฐานห้านี่แหละคืองานของนักบวชเราเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จิตใจเรายึดไปหมดคำว่าขันต์ั้งห้าคืออะไรกองรูปก็ได้แก่ร่างกายทุกส่วนรวมแล้วเป็นอาการสามทุสองคือกองรูปเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันก็อาศัยอยู่กับอันนี้แหละแต่ไม่ใช่สิ่ง น, นี้เป็นธรรมชาติของใครของเรา เป็นกายก็เป็นกายเมทนาก็เป็นเมทนาสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นแต่และอย่างละอย่างไม่สับปนกันเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกออกไปสู่ข้างนอกมันก็เหมือนกันกันกบข้างในคำว่าอสุภะอสุพังของปฏิพูลโศโครกของแตกของดับของสลายทาลาย เป็นธาตสี่ Así. ดินน้าลมไฟไม่ว่ารูปเข า, ารูปเรารูปหญิงรูปชายมันเป็นเหมือนกันหมดนี่ที่นี่มันก็กลายเป็นโลกวิทถูเริ่มเริ่มกลายเป็นโลกวิทถูขึ้นมาคือรู้รแจ้งเห็นจริงโลกโลกหยาบยาบนี้เสียก่อนคือโลกแผ่นรูปประขันว่าเป็นเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่ารูปรูปใครต่อรูปใครไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปนังน่งบ่นนั่ล ะ, ะละว่าเป็นเหมือนกัน ม่อพิจารณาจนมีความชำนิชำนาญแล้วจิตย่อมรู้เท่าทันปล่อยวางได้ในรูปประขันนี้ทั้งกองไม่มีความยือใหญ่มีความเบาใจเพราะปวดเรื่อภาระเรื่องกดถ่วงเสียได้นี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งการทำงานคือพิจารณากรรมฐาน 5เสสารุมานาขาธันตาต่โตเป็นพื้นฐานแห่งงานที่จะกล้าเข้าสู่งานอันละเอียดยิ่งกว่านี้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้แล้วสอนให้สถานที่ที่เป็นที่เหมาะสมในการทำงานประเภทนี้ให้ลุ่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคขีดขวางทางงานของตนที่กำลังดำเนินอยู่ ท่านก็สอนให้อยู่ในป่าในเขาตามลูกขมูลล้มไม้ในถ้ำเงื้อมผาที่ใดก็ตามซึ่งเป็นที่สงบสงัดไม่พูกพล่านด้วยยิ่งก่อควรต่างๆนี่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านดําเนินมาอย่างนี้นี่เป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเป็นหยังนั้นผู้ปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนจริงๆ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 แข่งติดคนญาติโยมไม่เห็นอันใดดียิ่งกว่าธรรมที่เรากำลังดำเนินอยู่เวลานี้นี่คือทางที่ถูกต้องดีงานเป็นอนิเกตสารีหาที่อยู่ไม่ได้ไม่กำหนดที่อยู่เช่นเดียวกับนกที่ไปกินผลไม้หรือหาอาหารมากินยินที่ไหนแล้วอิ่มแล้วไปบินไปมีแต่ปีกกบหางทรานั้นไม่กังวลว่า ตนไม้นี่เป็นของเราผลไม้นี้เป็นของเราเปลือกตมเป็นของเราพอยินอิ่มแล้วก็บินไปด้วงความหาอะไรเสียดายไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานก็ต้องเป็นผู้เช่นนั้นไม่ติดในโรกามิตใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เราจะทํา งานที่เราจะทำคือกรรมฐานห้าเป็นต้นนี้ส่งหากย่นเข้ามาตรงนี้เสมอมีเราอธิบายถึงเรื่องขั้นแห่งการพิจารณากรรมฐานห้าได้กรรมฐานห้านี้ชัดเจนแล้วที่ว่าได้หลักได้เกณฑ์แห่งการพึจปฏิบัติจิตจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเหือเหิหมกับสิ่งใดเลยจะมีแต่ความละเอียดละออในเรื่องปัญญาต้องใช้เสมอ อยาเข้าใจว่าสมาธินั้นจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาโดยไม่ได้ทําการพิจารณาใดๆเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดการเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมมีความแตกต่างและมีความแม่นยําต่างกันอยู่มากการเรียนเฉยๆเราจะพูดตามหลักการเรียนที่จดจำมานั้นผู้ผู้เรียนมาผู้จํามานํามาพูดก็เป็นผู้สงสัยอยู่แล้วหาความ แน่นอนใจไม่ได้ผิด ก, กันกับผู้เรียนมาแล้วนํามาปฏิบัติเมื่อมามาปฏิบัติแล้วย่อมประสบเหตุการณ์ต่างๆทางภาคปฏิบัติให้เห็นกระจกกับตนเองเห็นหนังรู้เกสาลมานะภาทันตาแต่โจนี่รู้ได้อย่างไรแล้วละจนถึงรู้จนถึงกับละสิ่งเหล่านี้รู้ยังไงถึงละได้ผู้ปฏิบัติย่อมทราบภายในตัวเองโมยลำพัง ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีภาคปฏิบัติด้วยความจริงจะปรากฏขึ้นมาจำมาแล้วอุปชาญาสอนและ ว, ว่าเกศาลมานาคาลันตาตะโจนั่นคือภาคศึกษาเรียกว่าปริยตัตคือภาคศึกษาแล้วลนำเกศาลมานาคาลันตาตะโจไปปฏิบัติบริกรรมพิจารณาให้ควรให้เห็นตามความจริงของ กรรมฐานแต่ละอย่างอย่างจนทั่วสนัพางร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยกรรมฐานคือเป็นที่ตั้งแห่งงานด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราก็เห็นแจ้งขึ้นมาอันเป็นความจริงหายสงสัยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็เป็นหลักเกณน์อันสาคัญทางด้านจิตใจหาความบั่นไหวไม่ได้แล้วทีมีแต่ความที่จะขยืดไปข้างหน้าเลยๆธรรมเวทนาสัญญาสังขารินดาล มันก็เกี่ยวโยงกันกันกบร่างกายนี้การพิจารณาดูทางด้านปัญญาจึงมีทั้งเบพิจารณาทั้งเวทนามพิจารณาทั้งกายประสับประสานกันไปทุกมันเกิดขึ้นในที่เช่นไรเช่นปวดแขงปวดขาเจ็บเนื้อเจ็บหนังเจ็บกระดูกพิจารณาแยกแยกให้เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งเนื้อทั้งหนังให้เห็นทั้งความทุกข์ที่มันเป็นนั้นมันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆหรืหอความจริงแล้วทุกมันเป็นทุก เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเป็นแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางปัญญาที่พิจารณาชอบด้วยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อใดพิจานาเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วมันจะพ้นจิตผู้ไปลุ่มหลงนี้ไปไม่ได้มันต้องย้อนเข้ามาหาจิตจิตก็เป็นแต่ศักิแต่ว่ารู้เท่านั้นเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเพรเวทนามันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งเป็นความจริงของมันอันหนึ่งเท่านั้น กายแต่ละสันตส่วนก็เป็นความจริงของตนแต่ละอย่างละอย่างไม่สับสนตนเปกันนั่นคือความจริงแท้จิตเมื่อรู้เท่าทันเพราะการพิจารณาให้เห็นแจงแจ้งแล้วย่อมถอนตัวเข้ามาเป็นความจริงเช่นเดียวกับสิ่ง่านั้นเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่พอใจแล้วควําว่าเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญ, ญาณทั้งจิตก็ปล่อยวางกันเองเช่นเดียวกับจิตปล่อยวางร่างกาย ด้วยการพิจารณารอบครอบแล้วพอแล้วเนี่ยข้ามีเห็นมีอะไรพิดแปกจากกันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้เป็นที่หลบซ่อนเป็นที่อยู่ของก่เหลือกทั้งมวลโลกเราหลงอันนี้เองหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงเนื้อหลงหนังหลงอาัยวะต่างๆ ส่วนอวัยวะต่างๆของตนว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นหญิงเป็นชายด้วยความเกลียดสันปั้นหยดแลว้วก็ติดไปตามนั้นดิบไปตามนั้นทั้งๆที่ไม่จริ ง, <c oughs> ง, งยิเลศย่อมเป็นของปลอมและเป็นค่าสึกต่อธรรมเสมอไปด้วยเหตุนี้ยิเลศจริงต้องกดขี่บังคับหรือกล่อมจิตใจของผู้ไม่มีความแยบคายให้ลุ่มหลงไปตามมันอยู่เสมอ จึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นความแท้แยบฉลาดให้ทันกับผลมายาของจิตหลุมีสติปัญญาเป็นต้นเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาย่อมจะมีควา ม, มําชำนทํานานและจะทราบกันได้ในวันหนึ่งพอเป็นเงื่อนพอเป็นหลักใจพอเป็นคติต่อจากนั้นก็ค่อยคืบคลานกันไปเรื่อยๆจนถึงกับขั้นมีความ แต่กล้าสามารถโดยทางปฏิปัญญาและสามารถรู้เท่าทันหมดรอบตัวสิ่งที่เคยหุ้มห่อจิตใจและใจที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันก็เป็นไฟอยู่แล้วแลวเอาไฟคือความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเผาล้นตนเองมันก็ปล่อยท้องมันไปโดยลำดับผลสุดท้ายก็ปล่อยทั้งภายในกิเลสทุกประเภท อาศัยอยู่ตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี่แหละท่านจึงสอนให้แยกให้แย่ให้ถากให้ถางลงไปด้วยกำลังของสติปัญญาเพื่อให้เห็นแจม่มแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายที่เป็นที่ซุ้มซ่อนของกิเลสความรุ่งโรจนจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วจอยวางเข้ามาชูจิตนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติ แล้วปลอยวางเข้ามาสุดจิตแล้วยังไม่แล้วนิเรศย่อมมีอยู่ทั้งทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสมีอยู่ทั้งทางรูปเบญนาสัญญาทั้งขันวิญญาจึงต้องพิจารณาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องทั้งปัตเพื่อถอนตัวเข้ามาเพื่อเป็นที่เป็นขับไล่กิเลสม่ให้ไปยิดไปถือไม่้ไปหลงงมงายแล้วก็ย้อนเข้ามาหาขันทั้งห้า ขับไล่ที่เลียี่ิ้มไปเกี่ยวหลบซ่อนยึดถือด้วยความงมงายในสิ่งอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรารูปก็เป็นเราเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจําได้หมายรู้เป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดตรุงดูชั่วต่างๆก็เป็นเราเป็นของเราบินญาณความรับทราบทางตาหูจมูกร่างกายทั้งเกิดทั้งดับนั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเลยกลายเป็นเราขึ้นมา ด้วยความเฉื่อยฉันตัญนย่ออันเป็นความมึนงง ง, งายของเราที่หลงตามผลมายาของกิเลสทั้งสิน้นนี่จึงต้องได้ชะล้างหรือทําลายกันด้วยสติปัญญาจนกิเลสไม่มีที่หลกที่ซ่อนเพราะสติปัญญาตามต้อนตามฟาดฟันหรือเผากันไปหมดทีิเลสก็ต้องหดตัวเข้ามาเพราะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยไม่มีทําเล เที่ยวหลบซ่อนเที่ยวหากินไม่มีทางเดินเพื่อหาอาหารมันก็หดตัวเข้าเข้าไปหลบอยู่ภายในคือใจ อ, อยู่ภายในใจก็เป็นกิเลสเหมือนกันกับอยู่ภายนอกพูดที่จะทําลายก็คือสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเข้าไปสู่ภายในใจสติปัญญาก็ตามเข้าไปพิจารณาให้เห็นชัดลมภายในจิตใจนั่นอีกจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายออก ไม่มีเหลือภายในจิตใจเหลือแต่ความบริสุล์ล้วนๆคืออิสระเสรีของจิตซึ่งเต็มไปด้วยความบริสุล์ล้วนแล้วตั้งแต่บัดนั้นต่อไปผลที่เราได้ดำเนินมาในงานของเราเริ่มตั้งแต่กรรมฐานห้าจนกระทั่งถึงรอบทั้งภายในจิตใ จ, จก็เป็นอันว่ายุติมีญาริธานเรียกว่าบุชิตังธรรมใจอย่าง ทำงานงานของสมณะนั้นน่ะได้สําเร็จตรงแล้วด้วยความรอบคอบชอบธรรมและบริสุทธิ์เต็มดวงใจนี่เรียกว่าทํางานสําเร็จพระพุทธเจ้าท่านก็สําเร็จที่ใจนี้พระสาวกอราหารันหันท่านก็มาสําเร็จที่ใจนี้ยิเดชเวลาจะตายก็ตายลงที่ใจสลายลงที่ใจเวลาเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อถูกทำลายลงไปแล้วก็ดับลงที่ใจ ใจที่ถูกกิเลสพุ่มหอจึงมือดอยู่ที่ตรงนี้นั้นเรียกว่าโมหะคือความมืดบอดของใจเพราะอำนาจของกิเลสมันปกครองส่วนกิเลสมันไม่ได้มืดบอดมันขนาดครอบคราหัวใจสารโลกไม่มีอะไรเสมอเหมือนนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะฝ้าฟันหันแหลกกันลงไปเผากันลงไปที่ตรงนั้นกิเลสก็หลุดลอยไปแม้ว่า ประเภทหยาบประเภทกลางประเภทหยาบอยู่ทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่ตามรูปเวทนาอยู่ตามรูปวิเด็ดปานกลางก็อยู่ตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิเดียดอย่ า, ง, ยานะยงละเอียดก็อยู่ภายในจิตสังจบนั้นท่านเรียกว่าอวิชชาแล้วก็ไปสุดกันตรงนั้นเวลาจะสังหารให้สิ้นสุดไปโดยสิน้นชิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือก็ต้องไปสังหารกันที่จิตด้วยมหาสติมหาปัญญาที่ทันสมัย ที่ทนันกันกับวิเดียรประเภทละเอียดที่สุดก็ประยุติการ น, นั้นท่านเรียกว่าวุชีตังธรมรมจักรยรอยังได้เสร็จงานแล้วงานวัฏจักรงานเพื่อแก้วัฏจักรออกจากใจวัฏจักรแปลว่าหมุนวนเวียนอยู่นั้นไม่มีเลื่อำเวลาไม่มี ตนมีปายได้แต่ความหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงแห่งความเกิดแก่เก็บตายของจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสถ้าเรียกว่าวัดไจิตหมุนไปเย็นมาอยู่เช่นั้นมาพบเก่าพบใหม่อะไรก็มีแต่เรื่องพบวัตถุขอ ง, ของแต่ไม่รู้ว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่พบกี่ชาติเวลาจะทราบก็ต้องทราบโดยภาคปฏิบัติจะทราบอย่างอื่นไม่ได้อืเรียนจบพระไกลปิดกก็เถอะถ้าลงไม่เลยเข้าภาคปฏิบัติแล้วจะไม่ทราบ วี่แววของจิตวี่แววของกิเลสว่ามันเป็นกันมาอย่างไรมันเกี่ยวโยงกันมาอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรกิเลสกับจิตทําให้สัตว์ได้เกิดแจ็เจ็บตายได้อย่างไร<ม>นอกจากว่าตายแล้วสูญแต่ละสูญก็เป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกอีกไม่ใช่ความจริงเหมือเราพิจารณาปฏิบัติ ด, ดังที่กลา่าวนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามความจริงเพื่อรู้ความจริงเป็นลําดับตําัๆจกนกระทั่งรู้ความจริงเต็มส่วน คือสํำรับออกกิเล็สออกจากใจหมุนแล้วเราไม่ต้องไปถามผู้ใดพูดก็สาธุแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ที่ตรงหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทําไมท่านสอนเพื่อความจริงความจริง ม, มีอยู่กับทุกคนสอนเพื่อให้รู้ความจริงเมื่อปฏิบัติตามแนวที่ท่านทรงสั่งสอนไแล้วจะไม่รู้ความจริงเป็นไปได้อย่างไรต้องรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็เป็นสินเท่าเทียมกันแจาถามท่านให้ท่านนับสั่งว่าอย่างไรอีก มเมื่อถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่มีใครถามใครเพราะความจรินล้วนๆเต็มหัวใจนั่นแหละเรียกว่าหมดจิจหมดการหมดนานหมดจริงๆตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่มีเกลเอตตัวใดที่จะแฝงปัหาอย่างนี้เกิดขึ้นโดยตั้งแต่ขณะได้สิิส้นสุดดิมุตหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายภายในใจิตใจนี่แหละงานของพระเรา มีทางสำเร็จได้มีวันมีปีมีเดือนให้สำเร็จได้ด้วยความภาคเพียรของเราเมื่องานนี้สำเร็จแล้วงา น, น, นอื่นๆก็สักต่ว่าทำไปอย่างนั้นเองงานอันแท้จริงที่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพิสูจ์บริสัทก็คืองานฆ่างานทําลายกิเลสงานทําลายวัตจักที่มีอยู่ในจิตนี้ให้ขาดเ ป, ปรยไปจากใจ เรื่องพบชาตินั้นเราไม่สงสยัยเริ่มรู้ไปตั้งแต่ขั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกไปโดยลําดับอันไหนเป็นเชื้อแห่งวัตถะภูมิใดขั้นใดทราบไปโดยลําดับแล้วทำลายกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงภูมิละเอียด mm hmm. คืออวิชชานั้นเป็นภูมิอะเอียด mm hmm. เป็นผู้สําเร็จอนาคามีผลโดยสมบูรณ์แล้วอวิชชายังไม่ยังมีอยู่ภายในใจเสมอด้เกิด ในปรมโลกห้าชั้นคืออวิหาตาตาพิยัติตาถาพิยสีอากาักนณิษฐาแต่นั้นก็ผ่านนี่คือผู้มีกิเลสอันละเอียดได้แกอวิจัยภาระใจแต่ผู้ทำลายวิชานี้หมดแล้วไม่ต้องไม่ว่าจะเป็นชั้นใดภูมิใดพรมโลกใดก็ตามผ่านถึงความมือสุดวิมุตตหลุดพ้นเห็นประจักษ์ใจจะไปถามว่าขายที่ไหน เพราะความจริงมีอยู่ใจมีทางที่จฉลาดแหลมคมได้เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจเป็นของฝึกฝนอบรมได้เป็นของทําให้ฉลาดได้เป็นของทําให้โง่ได้ทําเป็นธรรมชาติที่ทําใจให้ฉลาดฉลาดกระหม่อมธรรมชาดในตัวเองเนี่ยเป็นของจากันเมื่อฉลาดรู้รอบภายในตัวเองแล้วก็กลายเป็นโลโกวิทูรู้แจ้งเห็นจริงไปหมด ในจินทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขลาภเป็นความสมมุติกันทั้งนั้นนั่นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกที่จะถึงรู้ถึงเห็นเหมือนเหมือนกันเป็นแต่เพียงกว้างแคบกว่ากันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ภูมิคำวิจารย์ยังอีกเลื่อนซึ้งเข้าไปกว่านี้อีกหลายขั้นหลายผุนโยกเวทูอย่างชาบกระถอดกระทั่งวารจิตกระทั่ถถงถึงภูมินั้นภูมินี้เคยเกิดเป็นพวบใดชาบใดของสัตวแต่ละตัวตัวพระองค์สามารถรู้หมด เพรกิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายบุญพาให้ดีบาปพาให้ชั่วพาให้เกิดชุ่งชุ่งดำดนุ่มดอนซึ่งเกิดขึ้นในจิตเพราะจิตเป็นผู้สร้าง ม, มาเองเมื่อทำลายจึงต้องทําลายลงที่จิตเมื่อทําลายลงที่นี่จนหมดชิ้นไม่มีเหลือแล้วจะมีอะไรเข้ามาขวนจิตอีกล่าไม่มีมีแต่ขันที่ กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกติดตามภาษีภาษาของมันซึ่งมันมีความหมายตนเองเลยเท่านั้นพอหมดกําลังของมันที่จะสืบต่อไปแล้วมันก็สลายเรียกว่าตายจิตก็ที่บริสุ์แล้วก็ดีตัวออกไปหมดความรับปิดชอบคำ ว, ว่าห่วงใยไม่ต้องพูดท่านห่วงหาอะไรมีความรับปิดชอบเท่านั้นแล้วก็หมดความรับปิดชอบ นี่ผลของงานมีกรรมฐานห้าเป็นงานเบื้องต้นในสำเร็จจะล่วงไปถึงขั้นงานอันละเอียดได้แะ่ทำลายอวิชชาปัจจาสร้างคาราให้หมดสิ้นไปจากใแล้วไม่มีงานใดมาอีกที่จะให้ทำมีแต่กิตยาเท่านั้นจะทำง า, งานนั้นงานนี้เพื่ออะไรก็ไม่เห็นมีเพื่ออะไรก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติ อย่ามองเห็นสิ่งใดในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและสัจ์ความแปลกประหลาดคำเข้าใจว่าสิ่งนั้นแปลกสิ่งนี้ประหลาดคือความหลอกตนทั้งนั้นเป็นมาจากกลมายาของเกดให้พึงทราบเสียว่านี้คือกลมายาของเกศที่หลอกจัดโลกให้จมแต่ธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่แก้ความหลงมมงานของตนและความล่มจมของตนให้ฟื้นตัวขึ้นมาสู่อิสระสรีเต็มที่ภ า, ายใน จ, จิตใจ นี่ลนะการดำเนินตามอา ร, รยิยปปิมีของพภพุทธเจ้ามีมรดกอันสำคัญที่จะถึงได้รับด้วยกันดังที่กล่าวมานี้ขอให้ทุกท่า น, นเป็นที่มั่นใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคลนิพพานโดยตรงไม่ได้สอนไว้แบบเปลาๆแบบโมคะบุรุษเพราะพุทธเจ้าไม่ใช่วโมคะศาสดาธรรมะจไม่ใช่โมฆะธรรม สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงๆผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลเป็นที่พอใจเดิมแหละไม่สงสัย <c oughs> ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราอยากเห็นสิ่งใดเหนือธรรมะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือธรรมสามโลกธาตุนี้ยอมกราดทำทั้งนั้นทำเป็นของประเสรศิฐสิ่งนั้นไม่ปรากฏว่าประเสริฐเป็นคู่แข่งทำได้เลยให้เป็นที่มั่นใจเราเคยผ่านโลกมานานแล้ว ทางตาทางหูทางจมูกร่างกายสัมผัสสัมพันธ์กันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราทําไมจะไม่เบื่อหน่ายไม่ทําไมจะไม่บวกรวบคูนฐานกันเพอให้รู้ผลแห่งการได้การเสียของตนบ้างการประพฤติทำทำไมจึงทำจะทําความอ่อนแอเมื่อจะเข้าถึงความประเสริฐเดิดโลกเพราะการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของข้าพเจ้าแท้ทําไมจึงเห็นว่าเป็นของลําบากลําบ่น กิเลสเหยียบย่ำทํานายหัวใจเราไม่ลํา บ, บากเหลอโลกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะกิเลสมิใช่ดีไม่ใช่เพราะธรรมทําไมเวลาเราเบิ่มเพ่นธรรมจึงจะเห็นว่าเป็นความลํา บ, บากนั่นคือคนมายาของกิเลสหลอกเราให้พากันเข้าใจเอาไว้ต่อไปนี้ก็ให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมูเพื่อนฟัง